นะโมตัสสะะวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวตโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ผูชาจะาผูชนิยานังเอต ม, มังคระมุตต ม, มังติบัตนี้จะได้สแสดงพระธรรมทศนาเรื่องการผูชาเรื่องในงานบำเพ็ญกุศลศพท่านเจ้าคุณพระธรมรมวรนายกอาดิจ้าคณะภาคสิบห้าอาดิผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดเ็ญจะมรรคพิธซึ่งคณะท่านจะพาโดยคณะสมวัดบางโคโอมาว่ามีท่านจเจ้าอาวาสเป็นประธานพร้อมดียาตรยงพุทธโริษัตยผูกเอี่ยมด้วยน้ำใจไมตรีรมลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าคุณพระธรรมมรนายกจึงได้ร่วมกันมาบาเพ็ญกุศลอุทิศ ส่งไปให้แก่ท่านเป็นน้ำใจใหมายถึงเป็นสิ่งที่นาอนโมธนาสาธุการเป็นอย่างยิ่งน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญอุราณท่านว่าสรารพัดน้ำใดในโลกนี้ที่จะดีเหมือนน้ำใจไม่มีเลยอานุภาพของน้ำใจจะยกอุทาหรณ์ให้เห็นว่าอามรส่งน้ำใจนั้นน่าพิศวง สมัยเมื่อกรุงเทพมีรถรางมีชายชราคนหนึ่งขี่ของพระบุญพระังขึ้นมาบนรถรางไม่มีที่จะนั่งคนมันแน่นรวมทีงานก่าชาติก็มีเด็กหนุ่มคนหนึ่งมีน้ำใจลุกขึ้นเชื้อเชิญให้ชายชารานั่งชายชาราขอบอกขอบใจในน้ำใจของเด็กหนุ่มเป็นอันมากเมืม่อถึงเวลาที่จะลงจากรถราง เด็กหนุ่มผู้นั้นจะไปหมดน้ําใจช่วยชายชราขิวของเรานําไปส่งถึงที่บ้านบางเอืน้นบ้านตัวเองกับบ้านของชายชราอยู่ในซอยเดียวกันอานุภาพของน้ําใจที่เด็กหนุ่มผู้นั้นมีต่อชายชราทําให้เด็กหนุ่มผู้นี้ในการต่อมาได้มาเป็นหลานเขยของชายชราและได้รับมรดกมากมาย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 มาให้แก่ศกของท่านเจ้าคุณพระทบรบวรนายกในคราวครั้งนี้นี่คือน้ำใจโดยแท้โลกของเรานี้อยู่ได้ดยอาศัยน้กใจถ้าโลกขาดน้ำใจแล้วโลกก็าำอยู่ไม่ได้เป็นโลกาสที่นาศเพราะฉะนั้นขออุทนาสาธุการแต่คณะสงฆ์วัดบางโพโมาวาดร้อมทั้งญาติโยมพุทธบริษัทในโอกาสนี้ด้วย การที่ทุกท่านได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในคราวครั้งนี้ก็ได้สํานึกถึงคุณงามความดีของท่านเจ้าคุณพระธรรมวรรณายกเป็นสําคัญจึงได้ชื่อว่าได้บูชาผู้ติคนบูชาเป็นสวัสดิมงคลแก่ท่านทางหลายเป็นอย่างยิ่งสมจริงตามพุทธภาสิต ท, ที่ได้ยกขึ้นไว้ในเบื้องต้นว่าบูชาจะาปูชนียานัง เอตัมังกรมามุตตงมังว่าบูชาผู้ติพนบูชาเป็นมงคลอย่างสูงสุดดังนี้เพื่อให้พระธรรมเทศนานี้ฟังง่ายจำ ง, ง่ายปฏิบัติง่ายก็จะขอตั้งเป็นประเด็นคือหัวข้อที่สำคัญสำคัญเนะี่ยรวมห้าประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งลักษณะของการบูชาหมายถึงอะไร ประเด็นที่สองการบูชามีกี่ประเภทกี่ชนิดกี่อย่างประเด็นที่สามใครบ้างที่ควรบูชาประเด็นที่สคาถาสําหรับบูชาคืออะไรประเด็นสุดท้ายคือที่ห้าบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงสุดนั้นอย่างไรจะได้อธิบายตามลําดับต่อไปประเด็นแรก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 ที่ดูที่อาศัยเสือ้อผ้าเป็นบูชายอย่างหนึ่งเรียกตามภาษาพระว่าสักการะวันที่ก็เรียกพวกว่าสักการะบูชาก็มีนี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งบูชาด้วยการยกจ้องสรรเสริญคุณงามความดีของผู้ที่ระนัดถือเชิญรนัดถือองค์สมเด็จพระกรุมีกระพ่าว่าไรสรรเสริญคุณงามความดีของพระองค์ วาอิติกีโสพัควาแรงสัมมาสมุธโธวิ ช, ชาจนะสัมปะโนเป็นต้นอย่างนี้ก็เป็นบูชายอย่างหนึ่งเหมือนกันเรียกตามภาษาพระว่าปักขันค่ะประเภทที่สามยอมรับนับถือปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าหรือของครูบาอาจารย์เป็นต้นว่าเรานับถือพระพุทธเจา้าปฏิบัติตามคําสอนของพระองค์ เช่นทรงสังสรนี่มีขันติแล้วก็มีขันติทรงสังสารนี่เรามีความกตัญญูแล้วก็มีความกตัญญูอย่างนี้เป็นต้นเป็นการบูชาอย่างหนึ่งเหมือนกันเรียกตามภาษาครับว่าสามมานะรวมเป็นสามประเภทเด่นเรื่อประเด็นที่สามใครบ้างได้ที่ควรบูชามีสามประเภทเด่นประเภทที่หนึ่งกูชริยะวัตถุประเภทที่สองกูชริยะ สถานประเภททีสามปูทียักบุคคลพระเภทที่หนึ่งปูที่ยัวัตถุได้แก่วัตถุที่พวบูชายกตัวอย่างเช่นพุทธรูปพระศรีมหาโพุทธเจดียพระองค์ประทัดเป็นต้นหรือรสาวกรีของวีรบุรุษเช่นของพระเจ้าตากสินเป็นต้นตลอดตรงกระทั้งธงไตรรงอย่างที่กลุ่มตัวในปูที่ยักวัตถุทั้งสิน้น ประเภทที่สอปูเทียสถานแต่กระจาสถานที่ควรบูชาเช่นสถานที่เกี่ยวกับพระรูปเจ้าประสูตรกระตุ้นวิพาณแสดงธรรมบัจจาวุพประสูตรและสถานที่อันสําคัญคือวัดวัดวาอาวาสเป็นที่ประชุมดูความพระพุธะทธธรรมประสงค์แล้วก็ควรสักรารบบูชาไม่กระทําสิ่งที่เป็นการร่วงเกินในวัดในวาเช่นเสดทูราในวัดเช่นการพานันในวัดเป็นต้น อย่างนี้ก็เรียกเป็นการบ่งชาไม่ ก, กันเป็นปูที่กระเสถานประการที่สามปู ท, ทียบ้บุคคลบุคคลที่คนบ่งชาได้แก่วุฒิบุคคลสามประเภทหนึ่งได้แก่ไวยาวุฒิประเภทที่สองชาติวุฒิประเภทที่สามคุณาวุฒิประเภทที่หนึ่งไวยวุฒิ หมายถึงผู้ที่มีอายุพรรษามากกว่าเราแล้วก็ควรโกรสการับบูชาในฐานะที่เกิดคนเราประเภทที่สองชาติวุฒย์ยกตัวอย่างเช่นพระเจ้าอยู่หวัวนี่ยถืาอพระอวตารมาจากสวรรค์ก็ควรส ก, การับบูชาแต่พระองค์ท่านประเภทที่สามคุณบวุฒิได้แต่คนที่มีพลังความดีมีสีมีธรรมในพุทธศาสนายกตัวอย่างเช่นพระสงฆ์นี่ยเราก็ควรส ก, การับบูชา รวมเป็นสามประเภทเองนี่ประเด็นต่อมาคาถาสำหรับใช้บูชานี่สาคัญมากหมือนกันถ้าไม่ใช่คาถาบทนี้ตั้งบูชาผิดผิดถูกผิดบูชาไม่ถูกประสงค์ของพระเจ้าต้องใช้คาถากจ้ บ, บูชาคาถาเจ้ บ, บูชานั้นก็คือโอมอนี่เองนะแค่แค่ชื่อวัดบางโคอมมาวาดมันคือโอมนัโอมอะพินิทมาพิจรารณาก่อนจะบูชาเสกคาถาบทนี้ คือคาถาที่ว่าโอมอภินิต์มาพิพจารณ์นั้นเองให้เสกคาถาหมดนี้จะได้บูชาไม่ผิดคุณหลวงวิจิตรวัฒการอธิบายไว้น่าจับใจใครรักเป็นขติมากโลาโอมนั้นมีอสองประเภทดีกันโอมของทางาศาสนาพราหมณ์และโอมของทางาศาสนาพุทธโอมของาศาสนาพราหมณ์นั้นขึ้นต้นโอม หมายถึงเทพไตเจ้าสามพระองค์พระพรหมพระศิวะและพระวิษณุให้ศาสนาพราหมณ์นั่นขึ้นองค์ซึ่งขยายมาเป็นมะอาวุมะอาุหมายถึงเทพไตเจ้าทั้งสามพระองค์มะนั้นหมายถึงพระพรหมอาหมายถึงพระศิวะอุหมายถึงพระวิษณุ มะอาวุนีรวมเข้าเป็นโอมวิราพวกรามเขาจะประกอบพิธีต่างๆเขาก็ขึ้นโอมเช็นโอมมณีปัตเมหุมมโอมมณีปัตเมหุมต่อหมายถึงบูชาเทพเจ้าสามพระองค์ด้านเองคร้ายเราตั้งน้ำมูกอะรนะเราถือของศักดิ์สิทธิ์นี่ของศาสนาพราหมณ์ครับที่ศาสนาพุทธเรานี่ขึ้นโอมเหมือนกันนะแต่มีความหมายตรงกันข้าม ในศาสนาพุทธหมายถึงพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ขยายโอมมาเป็นผู้อา อ, อุมะไม่ใช่ว่าอา อ, อุนะอา อ, อ, อุมะอาจะคําว่าอารหังหมายถึงผู้ที่เจ้าอุจะคําว่าอุตมธรรมหมายถึงพระธรรมมะจะคําว่ามหาสังขังหมายถึงพระสงฆ์เพราะฉะนั้นโอมในทางศาสนาพุทธจึงหมายถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองจําไว้ว่าศาสนาพราหมณเป็นมะอาอุออ ของพวกประนี้เป็นอาวมากต้องใช้ถูกต้องด้วยโอชิวาตการอ่านถึบายไว้ผู้ที่ได้เศคารถาบทนี้แล้วคือโอมัพินิษฐมาพิจารณาก่อนจะบูชาเศคารถาบทนี้คือคาถาโอมัคพินิษฐ์มาพิจารณานั่นเองซึ่งตรงกับธรรมะพาสิทธิวานิสัมมะระนังเสยนเหมือนกันคนระัคือมีสติสัมภชัญญาใคร่ควรก่อนจะทําสิ่งเหล่องสิ่งใด แม้แต่การที่จะบูชาต้องใครควรสะก่อนคนต้องการไม่ใครควรพิจรารณาไปบูชาสิ่งที่ผิดๆแทนที่จะเป็นมงคลกับเป็นอับอายมงคลพระเจ้าทัศนตรูบูชาพระเทวทัตไปยังไงคนสุดท้ายกรมพระชนะบิดาคือพระเจ้า พ, พิมพิสารเป็นอนันตเริยกรรมเนี่ยปิดตูด้ฆาตห้ามสวรรค์ห้ามลิพาน ชาวนาในเรื่องนิทานอิศกเห็นงูเห่านอนพดตัวด้วยความเหน็ดหนาวถุงสารพวกอุ้มคือเมากกอดด้วยความเมตตากรุณาขนสุดท้ายงูเหา่าได้ไออุ่นจากตัวชาวนาได้กำลังเลยออกมากัดชาวนาที่สำคัญตายก่อนที่ชาวนาจะตาย ท้วรออกมาว่าสมน้ําหน้าตายโกคดีคาถามีอไม่เสรนี่ที่ยกตัวอย่างวันนี้ที่สวดติเหตุได้ว่าจะบูชาสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่ได้เสร็คาถาบกนี้เป็นอัปมงคลไงด้วยเหตุ น, นี้องค์สมเด็จพระพุทธมีพระปากจึงทรงเน้นไหวบูชาจะพราะคุณถือความบูชาจึงจะเป็นมงคลสิ่งที่ไม่ความบูชาเป็นบูชาเข้าเป็นอัปมงคล อย่างพระเจ้ากษัตรูกับชาวนาที่เป็นประเพณีหนึ่งเมื่อกันประเด็นสุดท้ายใครเล่าที่บูชาแล้วเป็นมงคลแก่ชีวิตมงคลชีวิตนั้งมีมากเลยกันนะแต่เพื่อจํากัดเวลาเพื่อดูย่อจะยกเพิ่มสามอย่างที่เป็นมงคลชีวิตหนึ่งการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นเหตุให้ ชีวิตจเจริญก้าวหน้าสองพาไปสู่สวรรค์สามพาไปสู่นิพพานเอาสามอย่างก็พอแล้วเหมาสมกับอิราประการแรกชีวิตก้าวหน้าอุปติตสะได้ปบูชาท่านพระสัชชิเถระได้ฟังธรรมของท่านได้สําเระปวดารันได้ได้นำเนาธรรมะนี้มาสอน มาบอกแกโกริตะผูาสาหิก่สรประสดาวันเช่นกันแล้วต่อมาท่านท้งสองก็ได้มีโอกาสไปเฝ้าองค์สมเด็จพระอมรรั ส, สดาได้บรรพชาภิเษสมบทเป็นเทสุพระพุศาสนาท่านโกริตาเมื่อได้บวชแล้วมีนามใหม่ว่าพระมหาโมคคลานะบำเพ็นเพียรอยู่เจ็ดวันสาเร็จเป็นพระอระหันต์ต่อมาได้รับ ยกกล้องกับพระศาสดาว่าเลิศในทางมีฤทธิได้แต่งได้รับแต่ง ต, ต, ตั้งเป็นอกากระสาบุงซ้ายขององค์สมเด็จพระโอมัสาสดาส่วนท่านพระอาจารยท่านพระอุปติษณ์นั้นเมื่ออุปสมบทแล้วในนามหมายว่าพระสารีบุตรอุปสมบทได้สิบห้าวันสาเร็จเป็นพระราหารันและต่อมาก็ได้รับยกกล้องกับพระศาสดาว่าเลิศในทางปัญญา เป็นอากรส า, าวเบื้องซ้ายเบื้องขวาท่านทั้งสองนี้ปรากฏอนุสาวรีบูรได้พระอุโบสถทั่วทั่วไปที่ท่านได้เจริญก้าวหน้าในชีวิตนี้ก็เหตุอะไรพระบูชาผู้ที่คนบูชาคือท่านได้บูชาท่านพระเจ้าชิถระได้บูชาองค์สมเด็จพระบหลงป่ศาสดาชีวิตของท่านกึงก้าวหน้าเจริญ ร, รุ่งเรืองนี่เป็นตัวอย่างยอดย่อโยโยนอกจากนี้กา ร, ากรบูชาผู้ที่คนบูชา เช่นบูชาพุทธคุณเนี่ยเช่นพุโทโธบูชาพุโทโธเจริญก้าวหน้านี่การทำไม้จินกว่าเจริญรถท้าบันดาซักกวเจริญเจริญทั้งนั้นเนี่ยชายคนหนึ่งไปหาพระอาจารย์ท่านประทาวรมาทําไมเรียนท่าว่ามาหาท่านอาจารย์มาทําไมเกระผมไปที่จะตามมาตกต่ำเรือเกินะตกต่อย่างไง เรียงหมูหมูก็ตายหมดทำไรสักรรถ ก, ก็ขาดทุนเข้าทุนก็แล้วก็ถูกเขาโกงหมดต้อหมดตัวถ้าจะฆ่าตัวตายอาจารย์ก็ปลอบใจว่ายายาย า, ยาอาตมรีบัตกรรมฆ่าตัวตายมันบาปมากนะตกนรกชีวิตจะมีความหมายชีวิตคือการต่อสู้คนเราจนแล้วก็รวยได้รวยแล้วก็จนได้ความเพียนไม่อยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่เป็นไรอาจารย์จะช่วยต่อจากนี้ไปเธอนั้นภาวนาพุโทโธนะคือร้อยแปดข้าบโบราณอุค่าข้า ว, าวคือครั้งเลยนะะร้อยแปดข้าบทุกคืนนะแล้วทางที่ดีก็ให้มีคาถาด้วยนะคาถาพรใจเสร็จถีอุอากษะในภาวนากลมกลับห้ด้วยและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักนะไม่ใช่ภาวนาอุอากษะ หลักดาอุอาปะสะเนี่ยแห่มไปเลยไม่รวยไม่เป็นเศรษฐี่ยจะกลายเป็นยาจบไปเลยต้องปฏิบัติที่ถูกต้องนะ ห, หลักที่ถูกต้องคือยังไงภาวนาอุอากาสะที่เป็นหัวใจเศรษฐีนั้นก็าต้รู้ว่าอุมาจากคำาอุถานสัมปทาต้องข ย, ยันนะอย่าขี้เกียจอารมาจะกคำว่าอารักะสัมปทารักษาหน้าทีด่ดีรักษาทรัพย์สมบัติดี กะมาจากว่ากรรยานบุบตรตาครบคนดีเป็นมิตรสะมาจากว่าสมาชีวิตาใช้ใจพอเหมาะพอดีไม่ปูนไฟเกินไปไม่ตรใจกระแม่เกินไปพอดีพอดีสี่ประการนี้ไปภาวนานและปฏิบัติด้วยท่านอาจารย์อธิบายว่าคําว่าพุทโธพุทโธนั้นเมื่อเธอไปภาวนาแล้วเขินร้อยแต่ข้าพ้อยแต่ครั้งอาจจะหลงจํานวนนะอาจารย์จะให้บุปคผามะ รูปประคำพวกนี้มีแกงเม็ดมีกี่เม็ดเธอรู้ไหยไม่รู้นะเอาคนจะรู้สิรู้ว่ได้ประโยชน์โทษไม่มีรูปประคำพวกนี้มีร้อยแปดเม็ดนะเธอรู้ว่าร้อยแปดเม็ดมาจากอะไรไม่รู้นะต้องรู้รู้ว่ได้ประโยชน์โทษไม่มีร้อยแปดเม็ดนี่มาจากพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณพุทธคุณห้าสิบหกธรรมคุณสามสิบแปดสังคคุณสิบสี่ รู้ไปเท่าไหร่ละเป็นร้อยแปดเลยเธอคิดเองพุทธคุณห้าสิบหนับเรียงตัวอักษรเลยเอเอเตปิโสภควาอาราหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจระณะสังปันโนสุขตโตโรกับวิธูอนุตตโรพริสธรรมสารถิสัทธาเทวะมนุษาหนังพุทโธภควาติห้าสิบหกนี่เป็นพุทธคุณนะคุณของพระพุทธเจ้าจาไว้ ธรรมคุณสามสิบแปดก็ น, นักเรียนตัวอักษรบนะะ้กันสวาขาโตพระัตาธรรมสันทิธิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิตาโกวิญโยหิติสามสิบแปดนี่เป็นธรรมคุณนะคุณหมอประทรมที่สังกคุณ1ิบี่เนี่ยอาจจะท่องตน ท, อนท่องท้าไม่เอาสุ ป, ปฏิปันโนพระัตโตสาวกาสาังโกสิบสี่ นี่คือสังฆผลคุมของพระสงฆ์ห้าสิบหกสามสิบแปดสิบสี่รวมกันข้าจุดเป็นร้อยแปดนี่เราจะไปภาวนานะทุกทุกคืนนะพุโทโธเรื่องไปเม 1, ็ดหนึ่งพุทโธเรื่องไปเม 1, ็ดหนึ่งพุทโธเรื่องไปเม 1, ็ดหนึ่งพุทโธเรืเนึ่งตัวไปทั้งครบรอบนะได้ร้อยแปดแล้วเธอจะเห็นผลเขาเดีใจกลับํางานสามครั้งที่ตักพระอาจารย์ไอเริ่มต้นอาชีพค้าขาย เล็กๆน้อยๆนะราคบราขายจิบขายดีอย่างกระเทน้ําเทท่าของบางอย่างแม้แต่จะขายได้ก็ขายได้นาอัศจรรย์หรืออำ น, นาจพุโทโธเดี๋ยวก็หัวใจเศรษฐีด้วยก็รำ่ำรวยนาอัศจรรย์มีเข้าค้างเศรษฐีนึกถึงคุณพระอาจารย์จึงพอสร้างอุตตหวาพระอาจารย์หนึ่งหลังจารุชุวา่าอุตติอุชาคุณพระอาจารย์ นี่คืออำนาจของพุโทโธนอกจากนี้พุโทโธยังไห้ขึ้นสวรรค์ได้มัตตคุดรีนอนเจ็บรอความตายเช้ามือประดิษฐองค์สนเด็จพระผูมิพระพาตรวจดูสัตว์โลกมัตตกุดรีมาปรากรไทยขายขครยานกรัตรสดาทรงพุชรากรสากว่า มัตตุคุณรีหมดที่พึ่งแล้วนอนรอความตายจะพึ่งต่อต่อก็หักจะพึ่งหลักเราก็โค่นโดนสองต่อจะพึ่งพ่อแม่ก็พึ่งไม่ได้พึ่งทรัพย์สมบัติก็พึ่งไม่ได้แม้แต่ตัวเองก็พึ่งไม่ได้นอนแช่หมือเท้ากริกไม่ไหวเพราะว่าพ่อแม่เป็นวิชาที่ถีแทนที่จะหายาดีๆหมอดีๆ กับไปหาตยาขอหม่าวันเนะยยามันไม่ถึงขนาดโลกนะช่โรคไม่ไหวก็เลยเจ็บหนะักเลยหามลูกมาว่าที่เราเบียงเรือนเรียว่าคนมาเ ย, ยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจะหยุดนั่งหยุดนี่นี่ขี้เหนยียวถึงขนาดนี้นะฮะเข้าเตงนท์นอนที่ว่าเสียดายอ้อยกว่าให้ช้างตายเนะแทนที่จะรักลูกกบไปรักทรัพย์สมบัติมากกว่าลูกนะทํามที่ได้มีลูกคนเดียวนะฮะ แต่ที่รักลูกใครมากกว่าทรัพย์สมบัติกับการรับสมบัติมากกวลูกมีข้าํานองที่ว่าเสดายอ้อยกว่าให้ช้างตายมันเป็นสย่างนั้นวงสมเด็จพระพูทมีพระภาคทรงพระเมตตาเห็นว่าเขาไม่มีที่พึ่งแล้วนอกจอากตาขาวครบแล้วก็ไม่มีใครเป็นที่พึ่งของเธอจึงสเสด็จไปสู่ที่บ้านของมัตตุปุลีประทับที่นาบ้านเขามองไปเห็นแล้วก็หันหน้ากระฟ้าเรือนหลกแสงสว่าง ถึงกระนั้นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาพก็ยังไม่หมดพระเมตตาใช้รัศมีหกประการว่าก็ไปติดฝาเรือนสว่างสวัยสวยงามมากที่สุดแม้แต่คุณทีเลตกใจที่มาแสงอะไรสว่างเพื่อเกิไม่เคยเห็นสวยงามจริงๆด้วยอำนาจุทธาภูภาพค่อยๆคลิกตัวกลับมาเห็นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาตื่นตั้ใจ โอ้พระศาสดานี้ทานห้พระเมตตาตัวเ้าเหลือเกินไม่โกรธเกลียดพวกเราไม่ผูกอาฆาตพวกเราเวราเดีดีเราไม่เคยไปวัดเพราะพ่อแม่เราเป็นวิชาทุติห้ามไเราไปวัดเนีเราก็ไม่มีโอกาสไปวัดไม่มีโอกาสไปฟังเทศรัก ษ, กษา์สิ่งของพระองค์แต่ถึงกระนั้นพระศาสดายังไม่ผูกอาฆาตไม่โกรธเกลียดพวกเราอุตส่าห์มาโปรด ถ, ถึงที่นี่ถึงที่บ้านเราจะหาใครในโลกนี้ ที่มีพมมระเมตตาเมืพระศาสดาไม่มีอีกแล้วเกิดเปตตความร่วมใสเหลือประมาณโานาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธดับจิตไปในขณะนั้นไ้เกิดในส่วนชั้นดาวดึงมีนามปรากฏว่ามัตถุคุณดารีเทพขบุตรนี่คืออนุภาพของพุโทโธนะน่าอาศัศจรรย์บาลีในมสมัยยสูตรมีตอนหนึ่งว่าเยเกจีพุธทธังสนงังคตาเส บุคคลหนึ่งบุคคลใดรำ น, นึกถึงองค์สมเด็จพระกุงศรีประภาเป็นชณะที่พึงแล้วณนะเตยคมวิสันติอบายภูมิเงนคนทลายเรานั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิเลยประหายะมารุสังเทหังเขาละจากพวกนี้แล้วคือตายแล้วเทวากายยังปรุปรุสันติก็จะไปสู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งนี่คืออานาจพุทธคุณ คือคุณของพระพุทธเจา้าดังนั้นจึงนับว่าอาวุภาพคุณพระพุทธเจ้านี้มปมากเหลืเอเกินท่านทั้งหลายการฟังเทศในบุญอยู่ที่ไหนการฟังเทศในบุญอยู่ที่ฟังรู้เรื่องเมื่อฟังรู้เรื่องแล้วก็จำได้เมื่อจำได้นำไปปฏิบัตินี่แหละฟังเทศใรบุญการฟังเทศในวันนี้เรื่องการบูชาผู้ที่ควรบูชา จึงองสมเด็จพระพูทธเพระพาได้ตรัสแกเทวดาที่มาทูลถามพระองค์ก็ทรงแสดงมงคลสามแปดประการในมงคลสามแปดประการนั้นมีมงคลอยู่ข้อหนึ่งที่เทศวันนี้คือบูชาจะบูชานานงันเอตัมมังสมุตตามั ง, มมมงว่าบูชาพระจุกุลบูชาเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงสุดอย่างที่ตตมาบรรยายมาแล้วสรุปใจความก็คือว่า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 ผู้ที่ควรบูชาแล้วเป็นมงคลชีวิตอย่างสูงสุดนั้นอย่างไรท่านทรายโอคนจะได้สตา์มาแล้วดังที่ได้แสดงมาขออํานาจกุศลบุญราศีทั้งหมดที่คณะสงฆ์วัดบางโขโอมมาวาดซึ่งมีท่านจันอาว่าเป็นประธานความได้ญาติโอมคุตตระมิษัตซึ่งเปี่ยมด้วยน้ําใจไมตรีได้มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลทักษิณารุ ป, ปรทานในคราวครั้งนี้ได้ชื่อว่า บูชาผู้ที่ควรบูชาเพราะท่านเจ้าคุณพระธรรมมัครนายกนั้นเป็นบุคคลที่คนบูชาอย่างยิ่งท่านมีคุณงามความดีหลายอย่างแต่เมื่อสรุปใจความประเด็นสำคัญสำคัญของความดีของท่านก็มีสามดีด้วยกันถ้ามีความดีครบวงจรถ้ามีความรู้ดีสามารถดีและมีความประพฤติดีเห็นจะไม่ต้องอธิบายแล้วว่าท่านรู้ดีอย่างไรสามารถดีอย่างไร และปฏิบัติอย่างไรพระท่นนถลายอิ่ิุกปาก่าอยูุกท้องสาติีแล้วจึงจะขอผ่านไปขออันหน้าครูสมบุรราศรีทั้งหมดนี้จงสำเร็จแก่ท่านเจ้าคุณพระธรรมมัครนายกซึ่งใดจากโลกนี้ไปแล้วรั้งจากรองชีวิตอยู่หกสิบแปดปีสิบเดือนสิบเ็วันบัดนี้ทั้งป่จากโลกได้ไปสู่ ขึ้นสวรรค์แล้วมีความร่มเงย็นเป็นสุขขออํานาจกุศลบุญราศีทั้งหมดนี้จงสําเร็จโดยท่านเจ้าคุณผู้ร่วมรับไปแล้วแม้นท่านจะเ ส, ะสะด็เจ้าทิตตัณนะสะถานที่ใดก็ต า, ามก็ได้โปรดรับทราบว่าบัดนี้คณะสงฆ์ทั้งหลายแห่งวัดบางโโอมาว่าพร้อมจะญาติโยมพุทธบริษัทเตรียมด้วยน้ําใจไมตรีน้อมอุทิศบุญกุศนที่บ่อเพลินในคราวข้อนี้ ส่งไปให้แกท่านเจ้าคุณแล้วขอท่านเจ้าคุณจงรับทราบคำบมธนาสาธุการสำเร็จเป็นปตานุโมทนาใหม่ให้ได้รับความสุขในสัมปราาภพให้สมนังเจตนาปรารบความตั้งใจของกระท่านเจ้าผาดทั้งหลายโดยทั่วกันอ่ะหนึ่งด้วยน้ำใจไมตรีความกตัญูกตเวทีมีน้ำใจก่อนท่านทั้งหลาย